ในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายนะนี่แหละความลังเลตรงเนี้ยเพราะเราไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้ามันเลยมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในศีลสมาธิปัญญาว่าปฏิบัติแล้วจะมีผลจริงหรือไม่ ประการสุดท้ายก็คือสงสัยในปฏิจจุบันธรรมธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันอวิชชาเป็นปัจจัยยึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยยึงมีวิย ญ, ญาณเป็นต้นเหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่ถูกต้องหรือไมส่สติความสามารถแห่งการส่งผลที่ยังเหลืออยู่ในลําดับแห่งขันของกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหรือไม่เช่นเราทํากรรมนี่นะทํากรรมดีทํากรรมชั่วเนี่ย กรรมเหล่านี้นะกุศลกรรมกกุศลกรรมเนี่ยเขามีอํานาจมีความสามารถในการให้ผลในลําดับแห่งตนได้จริงไห อ, อน่าสงสัยไหมอ่ะเช่นเรากรรมดีกรรมชั่วที่ทํำตูมลงไปแล้วเนี่ยกรรมเหล่านี้เขามีสติเขามีอํานาจไหมมีอํานาจในการที่จะผลิตวิบากในภพต่อไปได้จริงหรือไม่เช่นทุกความคิดมันเป็นทั้งบุญและบาปเนี่ย ทุกการกระทํา ม, มันเป็นทั้งบุญและบาปทุกคําพูดมันเป็นทั้งบุญและบาปแล้วทั้งกรรมดีกรรมชั่วเหล่าเนี้ยเขาจะมีอํานาจเพียงพอในการให้ผลในลําดับแห่งพบได้หรือมันจะให้ยังไงเรามองไม่เห็นเลยทุกอย่างมันดับไปหมดมันสิ้นไปหมดอย่างเงี้ยมันจะมีกําลังมีพลังเพียงพอในการที่จะยกขันธ์พารละยกวิบากเกิดขึ้นในพบต่อไปจริงหรือไม่สงสัยไหม นี่คือการสงสัยนี่เขาเรียกสงสัยปฏิจจสมุปบาทแต่พูดเป็นภาษาพระธรรมแล้วมันเข้าใจยากไงแต่พอพูดลำดับอย่างนี้มันจะเริ่มเห็นชัดว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือกรรมแล้วก็สงสัยกรรมดีกรรมชั่วกุศลกรรมกุศลกรรมกรรมดำกรรมขาวเนี่ยว่าเราทําทุกวันเลยสลับค้าเข้ากันตลอดเวลาเนี่ยแล้วการกระทําเหล่าเนี้ยมันจะให้ในนี้ลำดับแห่งพบได้เลย เมื่อขันทพาราในภพนี้ดับไปแล้วมันจะยกขันทพาราขึ้นต่ออย่าพภพใหม่ทันทีจริงหรือไม่นี่ไงสงสัยปฏิจจสมุปบาทนี่แหละความลังเลตรงนี้เพราะเราไม่ศรัทธานในพระเจ้ามันเลยมีความสงสัยในพระเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในศีลสมาธิปัญญาว่าปฏิบัติแล้วจะมีผลจริงหรือไม่ สงสัยในอดีตตะขันสงสัยในอนาครตตะขันแล้วก็สงสัยในอดีตและอนาครตรสงสัยในปฏิชนุบาทความสงสัยอย่างนี้ก็คือว่าเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อในคุณของพระเจ้าเราไม่เชื่อในคุณของพระธรรมเราไม่เชื่อว่าถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วจะสามารถบรรลุมรกผลนิพพานได้เราไม่เชื่อามรรคผลนิพพานมีจริง เราไม่เชื่อปริยัติธรรมของพระศาสดาเมื่อว่าถูกต้องหรือไม่นี่เราไม่เชื่อและเราไม่เชื่อพระริยสงแท้แท้ที่ปฏิบัติตนทําตนให้ออกจากวัฏจัทุกข์ออกจากชาติทุกข์เชลาทุกข์เดินตามมรรคแปดแล้วพ้นทุกข์ได้จริงมีอยู่เราไม่เชื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเราไม่เชื่ออดีตขัน์อดีตพบอดีตกรรมทั้งหลาย เราไม่เชื่ออนาคตขันอนาคตตพบเอย่างจริงจังเราไม่เชื่อขัขนอดีตขันและอดีตคตเ อ, อ, อนาคตตพและเราไม่เชื่อปฏิจจนุบาทไม่เชื่อเหตุผลไม่เชื่ออวิชาสังขารวิญญาณนามรูปเนี่ยไม่เชื่อว่ากุศลกรรมอาุศลกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทำไปแล้วจกมีส ต, ติคืออำนาจในการให้ลำดับแห่งการ ให้วิบากให้ผลเกิดขึ้นในภพถัดๆไปพอความสภาพความไม่เชื่ออย่างนี้เกิดขึ้นเขาเรียกสภาพที่ลังเลสงสัยในฐานะแปดขึ้นมาปิดศรัทธาเห็นไหยขึ้นมาปิดศรัทธาคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระศ า, าสดาเรียบร้อยแล้วพอความลังเลสงสัยในฐานะแปดประการเนี่ย ว่ามีจริงหรือไม่จริงเป็นต้นอะไรนี้วิจิกิจฉาความสงสัยอย่างเนี้ยสภาพที่หมุนไปรอบด้านหมุนไปรอบด้านเพราะไม่สามารถตั้งมั่นในอาการหนึ่งอาการใดได้ไม่สามารถจะตั้งมั่นในคุณของพระเจ้าได้จริงๆริงเห็นมันจะหมุนไปเรื่อยไม่แน่นอนเลยใช่ไหมวิจิกิจฉาเนี่ยลังเลอยู่เรื่อย เช่นมีใครมาพูดเรื่องผ้านี่งามนะตรงนั้นสวยนะไปเที่ยวไหมตรงนั้นอาหารกินอร่อยนะเอาไปอีกแล้วไปไปไปไ ป, ะ ป, ะ ป, ะปะไม่เชื่อ่ว่าไปอย่างนั้นเกิดโลภะและจะเป็นบาปอกุศลและทำอัลลาโมกไปถ้าบอกเออมีอาหารอร่อยเออดีมีบัณฑิตอยู่ตรงนั้นไหมที่เขาแสดงธรรมก็ไม่มีเพรั้นไม่ไปหรอกอย่างเงี้ยนะ อังก็จะจัดปราร์ตี้กันเน่ะปราร์ตี้อะไรหมดไปแล้วอย่างเงี้ยนะใจมันก็ตัดน้อมที่จะฟังทำน้อมที่จะศึกษาทำก็ต้องบอกว่าฉะนั้นเพราะไม่สามารถจะนั่งมั่นในอาการใดอาการหนึ่งเป็นต้นได้นะเป็นสิ่งที่แน่นอนลงไปได้ เช่นว่าเอ๊รูปนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเป็นทุกข์แต่มันก็มีสุขอยู่นี่ทั้งเห็นมันจะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาหมือยังเป็นของเราอยู่ทั้งหมดนี่มันมันลังเลอยู่เงี้ยมองเห็นไหมนี่ไงนี่วิจิกิจฉาทีนี้ในชั้นของคาสอนนั่นบอกว่า โดยเฉพาะในคำดีสัง่งยุศควรพิจารณาว่าจิตของเราเนี่ยเศร้าหมองเพราะอะไรควรพิจารณาด้วยปัญญาว่าจิตของเราเนี่ยเศร้าหมองเพราะความโลภความโกรธความหลงและความไม่รู้ตลอดกาณอันยาวนานสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเนี่ยประสบชาติทุกขชะลาทุกข์เนี่ยใจที่ไม่สะอาดเนี่ยนะใจที่ไม่สะอาดเนี่ย ก็เพราะความเศร้าหมองของจิตก็คือมีวิจิกิจฉาเป็นต้นเนี่ยแต่ถ้าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงสภาพของความสุขได้เพราะใจเขาสะอาดฉะนั้นสภาพจิตที่เขาเรียกว่าจิตที่มีใจสกปกก็คือใจไม่สะอาดนี่แหละใจไม่งามถ้าเราสามารถขจัดวิจิกิจฉาออกในใจได้เนี่ยนะ ให้มากเขาบอกว่าธรรมชาติของวิจิตรฉาเนี่ยถามว่าแก้แก้ได้ยากไหมยอาแก้ได้ยากหรือแก้ได้ง่ายเอาใครตอบหน่อยทีวิจิตรฉาเนี่แก้ยากหรือแก้ง่ายทําไมถึงยากเพราะ วิจิกิจฉาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตดวงไหนวิจิกิจฉาเนี่ยเกิดร่วมกันกันกนกบโมหะมูลจิตดวงที่หนึ่งเขาเรียกวิจิกิจฉาสัมบยุทธ์ในชั้นคำสอนถ้านในสำนวนของคำสอนท่านเรียกว่าโมโมหะจิต คำว่าโมมูหาเนี่ยแปลว่าหลงยกกําลังสองนะจิตเนะตรงนี้ท่านท้าสาปท่านใช้คําว่าอาติเสยะหรือวิเศษะคือยิ่งอ่ะเป็นจิตที่หลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินและหลงอย่างมากนี่นะโมมูหจิตเนี่นะ นันธรรมชาติของโมโมหกิจเนี่ยเป็นธรรมชาติที่แก้ไขด้วยยาคือปัญญาในได้ยากใช้ยาคือปัญญาไปแก้ไขนี่นะวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่แก้ไขได้ยากอย่างยิ่งด้วยยาคือปัญญาเอาสิถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นอะไรจะเห็นในชั้นของคำสอนบอกว่า ธรรมชาติของวิจิกิจฉานี่เป็นธรรมชาติที่แก้ไขด้วยยาคือปัญญายากยากมากเพราะเอาทีลองพูดเรื่องอะไรมันสงสัยทุกเรื่องอะ่ะมันธรรมชาติคล้ายปัญญาไหมอ๋อบอกว่าไม่เที่ยงเอ๊ะไอ้ที่มันเที่ยงก็นีอะ่ะป็นทุกข์แล้วมันก็ได้ความสุขใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของเราเอาังนั้นก็ให้เราซะที่ไม่ใช่ของเรา พูดยากไหมถ้าพูดคนมีจิตกิจฉาสูงเนะยากมากเขาบอกแก้ด้วยยาคือปัญญาเนี่ยได้ยากอยิ่งๆเลยขุดออกไปยากต้องประหารโดยโสดาปดิมานั้นตอนนี้ถ้าหากไม่น้อมไม่ศึกษาไม่เจริญกุศลอย่างจริงๆอย่างจริงๆที่สุดจริงๆมันมันหลอกออกเราถูกจิตหลอกมานานแล้ว ทีนี้ตรงนี้พอพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เห็นนะว่าธรรมชาติของศรัทธาที่ตรงกันข้ามเนี่ยนะศรัทธาก็คือว่าเชื่อสภาพที่เชื่อสัตย์ทยวัตถุคือสิ่งที่สิ่งที่ควรเชื่อเชื่ออย่างที่กล่าวมาแนละ้วแปดประการเนี่ยเชื่อปฏิจจสมุปาทิหม เป็นศรัทธาไหมเป็นเห็นไหมเราไม่เชื่อกระแสของขันธ่าตุไดยตนะที่มันเกิดขึ้นสืบต่อกันนะถ้าเราไม่เชื่อปฏิจจา ก, ก็คือไม่เชื่อพระธรรมไงไม่เชื่อกระแสของขันธ์ธาตุไดยตนะไงไม่เชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพรนะเจ้าไงมันกระทบไปหมดแหะกระทบไปหมดเลยนะ เพราะเราไม่เชื่อว่ า, วากุศลกรรมมากุศลกรรมทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายกระทาไปเนี่ยให้ผลในลำดับแห่งพบได้เลยทั้งกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะให้วิบากถัดจากพบนี้ไปได้หมดหนึ่งถ้าเราเชื่อมั่นจริงๆเนี่ยนะถ้าลักษณะที่เชื่ออย่างแน่นอนต่อสัตย์เยวถือว่าวัตถุนี้มีสภาพเช่นนี้เช่นพระพุทธคุณเนี่ยมีสภาพอย่างนี้ ถ้าธรรมคุณมีสภาพอย่างนี้พระสังกคุณมีสภาพอย่างนี้สิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญามีสภาพอย่างนี้ถ้าบาปอากุศลเนี่ยมีสภาพอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้คือความเชื่ออย่างแน่นอนนะทีนี้กิจจรัสเนะเป็นธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนเนี่ยนะบอกว่ากิจจรสคําว่า ก, กิจจรสของศรัทธาเนี่ยนะ เขาเรียกหน้าที่การงานของศรัทธาเวลาศรัทธาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ยังไงหน้าที่ของเขาก็คือว่าทำํำทำที่เกิดพร้อมกันกับตนให้ใสเอาอะไรเกิดพร้อมกับศรัทธาจิตที่เกิดพร้อมกับศรัทธาเวทนาที่เกิดพร้อมกับศรัทธาสัญญาคือความจําที่เกิดพร้อมกับศรัทธาสังขารคือสภาพธรรมที่ปรุงแต่งที่เกิดพร้อมกับศรัทธาเนี่ยทำศั ทำเวทนาขันสังขารลขันสัญญาขันวิญญาณขันที่เกิดพร้อมกับสัตทินรียนั้นให้มีความผ่องใสเหมือนกับตนเองพราะศรัทธาธรรมชาติที่ใสไหมก็ทําธรรมะที่เกิดพร้อมกับตนเองให้ใสอตอนนี้จิตของเราใสไหมจิตที่ไม่สะอาดเพราะศรัทธาไม่แรงไงเพราะศรัทธาไม่แข็งแรง ถามว่าในสัตยยัตถูคือวัตถุที่ควรเชื่อแก้วมณีเนี่ยเป็นศรัทธาตัวแก้วมณีนีเป็นเหมือนศรัทธาน้ำที่ยังขุนอยู่นั่นหมายถึงตัวจิตเป็นต้นแต่ถ้ามีแก้วมณีนั้นจมลงไปในน้ำน้ำที่มีจอกแหนที่มีที่มีละอองมีฝุ่นมีโคลนมีตม้ม น้ำนั้นจะเมื่อเอาแก้วมณนีจุ่มลงไปแล้วเนี่ยแก้วมณนีนั้นก็จะทำน้ำให้ใสแจ๋วผักดันจอกแหนโครนตอมทั้งหลายให้มาลายหายสิ้นไปเหลือแต่ความใสแจ๋วของจิตเห็นไหมของน้านั้นเนี่ยสภาพจิตที่มีศรัทธาจุ่มลงไปในจิตเนที่มีศรัทธาอยู่เนะยจะใส ใส่เพราะเชื่อต่อวัตถุที่ควรเชื่อไม่ใช่เชื่อแบบงมงายว่าศรัทธามีรนําหน้ามีปัญญานําหน้าถึงจะตั้งมั่นเนี่ยแล้วเชื่ออย่างเด็ดเดียวไหมเชื่ออย่างเด็ดเดี่ยวเองและทํำทำที่เกิดพร้อมกับตนให้เด็ดเดี่ยวเองด้วยในสัตย์เยาวะถูแล้วตอนนี้เด็ดเดียวในคุณของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหมเด็ดเดียวไหม เป็นพักๆล้วจะเห็นชัดเลยเป็นพักๆบางทีทําท่าฮึดได้ห้าห้านาทีว่องบอลมากแล้วนะห้านาทีเนี่ยบอกเออฟังเออหน้าเกิดจะท้าพอไปสักพักก็มาแล้วว่าไม่ไหวแล้วอะไรจะขนาดนั้นก็ไม่รู้ใช่ไหมพอไปเจออากาศหนาวก็หน่อยโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยสักจะเป็นลมเนี่ยขอกล่าบวบนเน้ะ เห็นหมมันลังเลเหมือนจะรู้อ่ะแต่จริงๆไม่รู้เอาทหารที่กล้าเนี่ยเวลาเขาจะลงน้ำน้ำมีสัตว์เต็มไปหมดนี่นะทุกคนลีลีรอรออยู่นี่นะไม่กล้าพอไม่กล้ามีทหารกล้าอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าเออท่านทั้งหลาย เราจัดการเองพวกจระเข้หรือสัตว์ร้ายในน้ำเนี่ยก็ชักอาวุธออกมาแล้วก็ลุยจัดการกับจระเข้หรือสัตว์ร้ายให้กระเจิงหนีไปแล้วก็กวักมือว่าท่านทั้งหลายรีบมาตามเรามาลักษณะของศรัทธาเป็นอย่างนั้นแหละเขาจึงบอกว่าศรัทธาถ้าตั้งมั่นแล้วข้ามโอคาได้ไหมข้ามกามโมคาพระโคค ว, วคะทิถโขคาวิโชคะแล้วก็ พระโวคาเป็นต้นเหล่นี้ในคำคำสอนนยพระเจ้าตรัสไว้ในสั่งยุทธในคำพีรสั่งยุทธานิกายในในในในบาลีท่านใช้คำว่าสัทยาตรติโอคังอปมาเดนาอันนาวังวิริเยนดุมาเจตีปัญญาญาปริโสชาติบอกว่า บุคคลจะข้ามโอคาได้ด้วยศรัทธาโอคาเป็นชื่อของห่วงน้ําใช่ไหมฉะนั้นพระนาคเษนจะอุปมาให้กับปยามีลินฟังไงบอกว่ามหาบอพิษศรัทธาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ดุดหารกล้าทหารกล้าเนี่ยเห็นคนที่ยืนออกันอยู่ริมฝั่งไม่กล้าข้ามน้ําเพราะเห็นสัตว์ ร, ร้ายไม่กล้าข้าม แต่ธรรมชาติที่ศรัทธาเนี่เหมือนทหารกล้าเข้าไปก็ชักอาวุธออกมาแล้วก็จัดการกับจระเข้และสัตว์ร้ายแล้วก็กวักมือเรียกท่านทั้งหลายบอกมาไปกับเราเราจะพาให้ถึงฝั่งธรรมชาติของศรัทธาจะต้องเด็ดเดี่ยวเองแล้วก็ทําธรรมะที่เกิดพร้อมกับตนให้เด็ดเดี่ยวเองต่อสัตยวัตถุคือวัตถุที่ควรเชื่อดุถานกล้าแล้วเรากล้าวไหม กล้าที่จะเดินตามรอยบาทพระศาสดาทุกอย่างกล้าวไหมล่ะถ้ากล้าสิ่งใดที่พระศาสดาบอกว่าอย่าทําก็อย่าไปทาพระศาสดาก็บอกว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นมันผิดก็อย่าไปพูดถ้าพระศาสดาบอกว่าอย่าไปคิดบาปคืออย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงก็อย่าไปคิดเพราะอะไรเพราะกล้าแล้วเดี๋ยวนี้กล้าอย่างนั้นจริงไหมมันกล้ากล้าก็กลัวใช่ไหม นั้นถ้าธรรมชาติศรัทธาจะเด็ดเดี่ยวเองแล้วก็ทําสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับตนนั้นให้เด็ดเดี่ยวเองดุดทหารกล้านี่ศรัทธาจะเป็นอย่างนี้งั้นบุคคลจะข้ามกามโมคาพระโวคาทิโถคาอวิโชคาได้ด้วยศรัทธาจะข้ามอันนอบได้ด้วยความไม่ประมาทอันนอบจเป็นซีชื่อของสังสารวัตรสังสารวัตรเนี่ย ด้วยสติความไม่ประมาทก็คือสติสติคืออะไรตามและลึกได้เอาที่ฟังมาเนี่ยสติเราตามรละลึกได้ทุกคำไหมตามและลึกได้ไม่เผลอเลือเลยอ่ะนี่เขาเรียกสติแล้วพอหลังจากหยุดปุ๊บก็ย้อนละลึกก็ได้แล้วได้เป็นสติเป็นหรือไม่มีไหมเนี่ยถ้ามีอย่างเนี้ย ข้ามได้แน่คือฟังไปก็ตามลึกได้ทุกอัดทุกปยัญชนะเลยนะตามไปตามลดับพอหยุดปุ๊บเอาหมดเวลาแล้วก็ย้อนระลึกได้ย้อนได้นึกก็ออกจาก็ได้ไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลย อ, อันนี้เขาเรียกว่าไม่ประมาทที่ไม่ประมาท ถ, ถ, ถ้าไม่ถ้าระลึกไม่ได้เ็าเรียกว่าประมาท ประมาทก็คือการขาดอะไรขาดสตินี่ขาดสติเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไประลึกได้ว่าเอกคนนั้นดา่าเราเราต้องด่าตอบแอ่คนนั้นยืมเงินเราไม่ได้ไม่ได้ต้องจัดการนี่ต้องโถ ท, ทวงไม่ได้แล้วต้องใช้คำพูดเยาบหยาบเป็นสติไหมเรามิจฉาสตินะมิจฉาสตินะี่ ระลึกแลบาปเกิดทุกทีเนี่ยมิจฉาสติถ้าสตินี้ท่านขับเน้นระลึกและบุญเกิดวิริยานาดุกามัจเจติจะพ้นจากชาติทุกชะลาทุกพยาทิทุกได้เพราะความเพียรจะบริสุทธิ์จากราคะโทสาโมหาได้ด้วยปัญญาสัทธายะตรรติโอคังอั ป, ปมาเดนะอนาวังวิริยานาดุกมัจเจติ ปัญญายาบริสุทธิ์ชติเห็นไหมข้ามโควคา ด, ด้วยศรัทธาข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทพ้นทุก์ได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพุทธิยศอน์อะไรสอนอริยมรรคสอนอริยมรรคนีพ่พระองค์สอนมรรคสัจจะทีนี้ สภาพของศรัทธาเด็ดเดียวไหมทําสภาพทำที่เกิดพร้อมตอนเองให้เด็ดเดียวไหมต่อสัทธเยอะถูกไหมวัตถุที่ควรเชื่อดุทหารกล้าเนาะแล้วอุปทานะการลประยุปฐานะคืออะไรอ่ะอาการปรากฏในยานปัญญาของผู้รู้ทั้งหลายของบัณฑิตทั้งหลาย ลักษณะของศรัทธาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วยานปัญญาก็ไปรู้อาการจะปรากฏในยานปัญญาของผู้นั้นอย่างไรความไม่คุณมัวความผ่องใสแห่งธรรมที่เกิดพร้อมกับตนต่อสัตยเยี่ยวถูกนี่พิจารณาไปทั่วกระแสใจตัวเด็ก็เห็นความผ่องใสไม่ใช่ใสแกวอย่างนั้นอย่างเดียวพูดขึ่นั้นไม่ใช่นะใสต่อการที่จะ เชื่อต่อสัตยยวิูัตถุเชื่อต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พิจารณาไปแล้วเห็นความเชื่อเห็นอะไรใสเห็นเวทนาที่เกิดร่วมกับศรัท ธ, ธาก็ใสเพราะตั้งมั่นในคุณของพระศาสดาเห็นสัญญาที่จำคุณของพระเจ้าได้ก็ใสใช่ไหมเห็นอโลพะความไม่โลภเห็นอโทสัต ความไม่โกรธนะเห็นปัญญาที่เกิดขึ้นในการที่ไปพิจารณาคุณของภาษาสดาก็เป็นสภาพที่ผ่องใสเนี่ยเห็นสภาพธรรมต่างๆที่เกิดร่วมกันกันกบสัตว์ทิ้นซีทั้งหลายนะ่มีความผ่องใสนั่นคืออาการปรากฏในยานปัญญาผลปรากฏสภาพที่ให้ผลก็คือตัดสินใจเชื่อ คือการตัดสินใจเชื่อเกิดขึ้นเลยตัดขาดเลยเชื่อแน่นอนเลยวันนี้แหละคุณของพระศาสดาพระธรรมและพระสงฆ์นี่แหละเป็นวัตถุที่เรามั่นใจอย่างแน่นอนและจะไม่ถอนตนเองออกจากการนับถือพระศาสดานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอมอบกายถว า, ายชีวิตแต่พระเจ้าจริงๆนะใช่ไหมน้อมจริงๆเลยและจะไม่เป็นอื่นจากพระศาสดาเด็ดขาด ชาปนสัสดาว่าอย่างไรเราจะทําเหมือนอะไรดีเขาบอกธรรมชาติของกอไผ่เนี่ยกอไผ่จะไม่ต้านลมนะใช่ไหมธรรมชาติของกอไผ่เนี่ยฉะนั้นกอไผ่จะไม่ต้านลมเวลาลมพัดเนี่ยนะกอไผ่นั้นนจะลู่ตามลมไหมกอไผ่นั้นจะลู่ลู่ตามลม ฉะนั้นเมื่อกอภัยเนี่ยลู่ตามลมอุภิกตูภิกตูนีอุบาศกอุบาสิกาของภาษาสดาจะไม่ต้านคำสอนเมื่อภาษาสดาว่ายอย่างไรก็ลู่ตามคำสอนอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันบริษัทของภาษาสดาจะทำเหมือนปีกไก่มันปีกนกเวลาไปลนไฟจะงอหนีไหมงอหนีไม่ลองงอก็หาไฟหรอก จะงอหดหนีฉะนั้นบริษัทของพระเจ้าเนี่ยเห็นบาปแล้วงอหนีบาปไหมไม่วิ่งก็หาบาปถ้าคนชวนเราให้เกิดโลภะต่อไปเราจะงอหนีหรือลองงอหาต้งองรอหนีถ้าไปงอเขาหาก็เหมือนเราเขานาบอกว่าโอ้เนี่ยเขามีกิจกรรมโลภะจะเกิดทั้งวันเลยไปไหมเขาอย่าลืมบอกเราเนี่ยบัตรจองราคาเท่าไหร่อันนี้งอหนีบาปไปเนี่ย ใช่ไหมธรรมชาติของบริษัทของพระศาสดาต้องงอนหนีบาปถ้ารู้ว่าโทสะจะเกิดก็งอนหนีโมหะจะเกิดก็งอนหนีถ้าจะได้กายทุจริตจะได้วัจจีทุจริตจะได้มโนทุจริตที่ตรงนั้นจะไปไหมไม่ไปหนีใช่ไหมไม่ใช่ทั้งๆ ท, ท, ที่รู้บอกจวขอไปหน่อยต่อไปพอเขาจะเปิดโทรทัศน์แกกดูหนังฟังเพลง ผอไม่หรอกบาปเกิสมาทานแล้วไม่อยากจะเสพคุ้นเรื่องนี้เสพมานานแล้วเนี่ยอถ้าจะดูงสือพิมพ์รายวัน<ล>ใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวตกข่าวตกข่า ว, าวดีกว่าดีกว่าตกจากบุญเนี่ยใช่ไหมตกข่าวดีกว่าตกจากบุญดีกว่าตกใบบุญใช่ไหมไม่เห็นจะเป็นไรเลยบ้านเมืองจะพังก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหม แต่ถ้าบ้านเมืองในกระแสขันเรานี่พังเนี่ยเกิดเจลาโจนในน่ากลัวไหมน่ากลัวโลพาก็ออกมาปฏิวัติโทสาก็ออกมาปฏิวัติโมหะก็ออกมาปฏิวัติถีนามิทะก็ออกมาปฏิวัติบ้านเมืองนี้ล่มจมไหมเนี่ยล่มจมนี่ยังไงงั้นประเทศนี่น่าห่วงมากคือประเทศคือรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย ประเทศอื่นเอาไว้ก่อนไหมประเทศอื่นเอาไว้ก่อนจัดการประเทศนี้ให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยอันนี้พูดถึงขันนะไม่ใช่พูดถึงการบ้านการเมืองพูดถึงรูปปั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังเกลื่อนกลนกระจายอยู่เลยเอย่มั้งบาปบาปมันวิ่งเข้ามาได้ตลอดเลยเนี่ยอันนี้เรายังจัดการแก้ไขประเทศตะลาสของเราไม่ได้เลยแล้วเราจะไปปกครองใครแบบนี้นี่เริ่มชัดเจนเนี่ยไหมเก็เริ่มมองเห็นนะ อะไรเป็นเหตุใกล้ของศรัทธาอะไรเป็นเหตุใกล้ของศรัทธาการคบบัณฑิตที่สามารถแนะนำสั่งสอนอริยสัจได้สองการฟังพระสัทธธรรมที่เกี่ยวกับทุกสมุทัยนิโรธมาก สามโยนิโสมนสิการการพิจารณาด้วยอารมณ์ด้วยปัญญาได้แก่พิจารณาสังขารธรรมบอกว่านี่รูปธรรมชัดเจนเลยนะแยกนี่รูปธรรมนะนี่นามธรรมแล้วก็ไปพิจารณานี้เหตุหนี้ผลใช่ไหมนี่อันนี้จะทำคือทำที่เป็นไม่เที่ยงนี่ทุกขธรรมนี่ธรรมที่เป็นทุกนี่อนัตตธรรมนี่ธรรมเป็นอนัตตานี่อสุภะ ทำที่ไม่งามการไปวิจัยไปพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าโยนิสโสมนสิการที่เป็นไปกับปัญญาแล้วก็ธรรมานุธรรมะปฏิปติก็แปลว่าอะไรลองช่วยแปลนี้หน่อยทีธรรมานุธรรมะปฏิปติเนี่ยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตรรธรรมก้าเนี่ยนะจะเริ่มตั้งแต่ไหน ฉะนันการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาโดยเริ่มตั้งแต่สารณาคมเริ่มตั้งแต่รู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะตอนนี้เรายังไม่แข็งแรงไงในพระรัตนตรัยเลยอ่ะมอบกายถวายชีวิตมาทั้งหลายปีแล้วก็ยังมอบกันเล่นๆอยู่เนี่ยใช่ไหมทาท่า ม, มอบกลับไปก็เอไม่มอบแล้วใช่ไหม เขาเริ่มต้นตรงเนี้ยทีนี้แล้วก็เริ่มตั้งแต่นั่นแหละเริ่มตั้งแต่สนาัะคมเป็นต้นไปตามลําดับไปกุศลศีลเป็นต้นไปตามลำดับสมาธิปัญญาไปจนถึงอนุโลมยานมัคคยานลยาณนู่นแหละปฏิบัติไปจนถึงนู่นแหละนั่นแหละคือศรัทธานั่นแหละก็ปัฤติบันทำตามสมควรแก่ทํานู่นแหละไปจนถึงบรรลุธรรมนู่นเลย ทีนี้ศรัทธาเหมือนอะไรเหมือนมือในการที่จะให้ทรัพย์สมบัติที่เป็นโลกยาโลกุตละในเกิดขึ้นใช่ไหมศรัทธาก็เหมือนอะไรถ้าคนไม่มีศรัทธาคือคนไม่มีอะไรคนไม่มีมือเมื่อไม่มีมือเราไปเจอรัตนะมันตกเกลื่อนอยู่ตามพื้นเราเก็บได้ไหม ก็คนมือด้วนเนี่ยจะไปเก็บยังไงแล้วแล้วตอนนี้สติปัะฐานเราเก็บขึ้นมาได้ยังสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีบาละพอดชงเก็บไม่ติดสักทีเลยมือด้วนตอนนี้กำลังจะมาต่อมือเนี่ยเป็นมือที่ต่อใหม่ก็เป็นมือพิการก็อยางไงมาเก็บไม่ได้เห็นเหมือนกันบางทีกนะเก็บไม่ถึง เอาศึกษาไปที่เก็บไม่ถึงเนี่ยเอามาปฏิบัติไม่ได้จริงไงในชีวิตเนะี่ยพอพูดพอพูดถึงว่าศรัทธาเวียสติสมาธิปัญญาเข้าไม่ได้เพราะมือไม่มีมรัตนาทั้งนั้นใช่ไหมบอกศีลสมาธิปัญญาอภพระราชนาตรัยเนี่ยเป็นรัตนาเนี่ยแก้วอันประเสริฐเนี่ยเก็บไม่ได้เอาทําไมศรัทธาพระเจ้าไม่แข็งแรงเพราะมือด้วนไงเก็บไม่ได้ หยิบไม่ติดใช่ไหมเอาก็ศรัทธาพุทธเจ้าศรัทธาพระธรรมศรัทธาพระิยาสงมือทุกคนตอนนี้เรามีมือแล้วเนาะก็เก็บให้ได้เก็บพระรตนไตรามาให้ได้ถ้าดูตรงไหนคนเก็บพระราชณไตรได้หรือไม่ได้ดูตรงไหนดูตรงข้อปริบัิดูตรงข้อปฏิบัิ ฉะนั้นในการเก็บอรัตนะก็คือกุศลความดีศรัทธาก็เหมือนกับมือนในการให้ทรัพย์สมบัติทั้งที่เป็นโลกี้ยะและโลกกุตระบริบูรณ์เพียบพร้อมฉะนั้นการที่จะผลิตผลออกมาเป็นมรรคผลนิพพานศรัทธาก็เหมือนเมล็ดพืชเลยเนาะถ้าในมลรติกาท่านแสดงว่าศรัทธาเหมือนเมล็ดพืชเป็นเมล็ดพันธนะุเนี่ยตอนนี้เราไปปลูกกี่ยังหน่อโพธิเนี่ยนะปลูกกี่ยังเมล็ดโพอ่ะ โผล่หรือยังตอนนี้ได้สักได้โพหรือยังได้สาวกับโพที่ขึ้นมาหรือยังได้ปเจกับโพที่ไหมหรือได้สัมมาสัมโพที่ไหมรดน้ําพรดินทุกวันไหมอย่าไปเอายาฆ่ า, มาแมลงฉีดตายไดเลยเอาไปฉีดใช่ไ ห, หนังเข้านังเข้ามเมล็ดโพที่ก็ไม่งอกเลยเมืม่บางทีศรัทธาก็เหมือนกับเมล็ดพืชก็ได้ นั้นต่อไปเราก็จะบ่มเนาะบ่ ม, มเมล็ดโพธิไว้ในกระแสถ้าเวลาที่เหลือให้ถามจริงๆเอามาว่าจะแสดงอย่างอื่นก็เลยต้องมาเก็บเรื่องเรานเนี่ยนี่ถ้าบอกว่า็บอกว่าอาการปรากฏก็เรียกผลปรากฏของฐานก็เรียกววิภาวะสมปัตตะปัจจุบันนะก็คือ ม, มีมีมีความสมบูรณ์แห่งภพชาติ คำว่าสมบูรณ์อย่างพบชาติก็คือได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สมบูรณ์ได้กระแสขันที่สมบูรณ์ที่ผลของทานนะแต่มีข้อแม้นะที่เราจะได้ขันท่าไดายตนะที่สมบูรณ์เนี่ยนะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรมเนี่ยผลของทานเหล่านั้นต้องมีศีลกำกับอยู่นะไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลสำหรับผู้มีศีล ทีนี้เมื่อผลของฐานนี้มีได้ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์แห่งสิ่งแวดล้อมเช่นได้สถานะก็คือทรัพย์นั่นเองสิ่งแวดล้อมที่บริบูรณ์ถ้าเราดูพระราชาหม า, หากระสัตริย์เห็นชัดท่านก็มีทรัพย์สมบัติค่อนข้างเยอะและท่านก็ได้ความสมบูรณ์แห่งรูปขันอย่า ง, ปปางี้ยนะอันนี้อย่างนี้เน้นได้สมความสมบูรณ์ระดับอย่างนี้เป็นต้นบางคนได้ถึงยันจกักรพรรดิีราช บางคนก็ได้ถึงสักกะสมบัติบางคนก็ได้พรมาสมบัติเลยเนี่ยนะอันนั้นน่ะมีผลของความสมบูรณ์แห่งพบแต่ความสมบูรณ์แห่งพบนั้นถามบอกว่าเมื่อได้วัตถุถ้าวัตถุนั้นมองว่าเป็นวัตถุกามมันก็เป็นของน่ารักน่าไข่เพราะกามะเนี่ยเป็นเครื่องผูกใช่ไหมกามะคุณเนี่ยก็แปลว่าเครื่องผูกมันกลายเป็นเครื่องผูก พราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเครื่องผูกอะไรไปผูกไอ้ตัวตัณหาเนี่ยแหละตัวสังโยชนนี่แหละเป็นเครื่องร้อยลดัดเป็นเครื่องผูกผูกทราบเหล่านั้นไว้แล้วมันก็ออกไม่ได้มันก็เลยเป็นเครื่องกังวลเรองนี้มันเลยก็นำมาซึ่งความทุกข์ได้ดังนั้นผลของทานนี่เป็นอย่างนี้แต่ผลของทานอย่าลืมนะมันไม่ใช่แค่อย่างนี้ได้วิภาวะสัมปติอะได้ความสิ้นพบเป็นอาการปรากฏด้วย ท่านกรณีที่คนไปตั้งผลของทานที่ว่าเป็นความได้แค่พบสมบัติเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งไว้อย่างต่ําแต่ถ้าหากว่าจะตั้งให้บริบูรณ์แล้วเขาตั้งไวเ้เพื่อเพื่อเพื่อได้มรรคแต่ท่านเอามรรคต่ำสามผลต่ำสามเป็นผลของทานกุศลโสดามรรคสกาธาคามรรคานาคามรรคโสดาผลสกาธาคาผลานาคามิผล ถ้ามองนี้จะเห็นชัดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลของฐานนั้นเน่ะผูกไว้กับทุกทัศน์มองในด้านของพบใช่แต่ทัศน์มองของความสิ้นพบกลักลายเป็นปัจจัยเก่ับความพ้นทุกข์เลยต้องมองให้ขาดว่าผลของฐานมีสองมุมมันแล้วแต่คนจะให้เป็นหรือไม่เป็นถ้าให้เพื่อจะไปเกอดอยู่กับ พบก็ได้กระขันก็ได้แต่พระศ า, าสดาไม่สรรเสริญการให้แบบนั้นเลยแต่สรรเสริญการให้ที่ไม่มีตัณหามานาทิฐิเป็นเหนียวลังในการให้ใช่ไหมให้เพื่อสละให้เพื่อ น, น้อมที่จะเป็นปัจจัยแก่ทั้งบอกว่าเวลาเราจะให้ทานโบราณก็เลยตั้งว่า อ, อีทานอะไรนะพรที่บอกว่าอะไรนะ อาสะวะขยาวหังนิพานนะปั จ, จโยโหตุกต็คือว่าคอยเป็นปัจจัยแก่ น, นิพานเแต่ไม่รู้ซะนี่สําคัญท่องแล้วไม่ได้เนี่ยใช่ไหมท่องกันได้แจวแจวแจวเลยคอยเป็นปัจจัยแก่ความแก่ภาพนิพานเธอถ้าใครบอกว่านิพานคือการไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเนะโอ้โหรับไม่ได้เลยใจตกวูบเลยเดี๋ยวนี้ยบอกโอ้โหนิพานของคุณทำไมรุนแรงขนาดนั้นเน่ย ใช่ไหมเล่นเราไม่ให้เกิดเกิดหรืออย่างเงี้ยนีขอเกิดมาหายใจไดกหน่อยได้ไหม <c oughs> จะเอาอย่างเงี้ยใช่ไหมนิพพานเราต้องการเกิดคือเราต้องการเราต้องการสุขแบบเวทนาเราไปเข้าใจเวทนานะเป็นนิพพานไงเวทนาเที่ยงไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นควรยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไหมเห็นไหมแล้วก็ไม่งามด้วย ฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปหวังเวทนาเพราะเวทนาไม่เที่ยงแต่นิพานสิเป็นธรรมชาติที่เที่ยงเป็นธรรมชาติที่สุขอย่างแท้จริงแต่ไม่เป็นแต่ไม่เป็นตัวตวนนเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยนะอ่ะมีไหมอีกข้อไใจอ่ะค่ะ ข, ขอข่าการเจ้าคะ่ะอยากให้พระอาจารย์ได้กรุณาแนะนํานะคะว่า ในเวลาที่ให้ทานอันใจของเรานั้นประกอบด้วยสีนะคะประการหนึ่งและในเวลาที่เราเราลึกถึงทานเนะะี่ยค่ะในบางประเด็นบางมุมบุคคลก็จะชี้แจงให้เราทราบว่าถ้าเราไปหน่วงนึกถึงนึกถึงอารมณ์ในอดีตอันเนืเออ่องจากการให้ทานก็ตามอันนั้นเป็นการตรึกนึกคิด หนึ่งประเด็นแล้วอีกประการหนึ่งการตรึกนึกคิดตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสทำให้โลภะของเรานั้นมันทยานอยากไปขอให้พระอาจารย์ได้ช่วยชี้แนะว่าเราจะตรึกนึกยังไงเพื่อให้ปลอดภัยจากโลภะที่จะทยานอยากอ๋คืออย่างนี้แต่ ว, ว่าคนที่เขาระลึกเชชั้นของฐานได้ค่อนข้างแข็งแรงเนี่ยเขาระลึกได้ทุกมุมยกตัวอย่างเช่นว่า ในขณะที่มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนที่ว่อจะป้องกันตัณหาและโลภะนี่นะถามว่าเราละเลิกถึงทานในกุศลเราละเลิกถึงอะไรละเลิกถึงตัวเจตนาส่วนหนึ่งแล้วก็ละเลิกถึงสภาพสภาวะธรรมที่คือความไม่โลภคือสภาวะธรรมที่ไม่ติดข้องในวัตถุในวัตถุฐานนั้นๆเพราะธรรมชาติของอโลภะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับ เหมือนกันน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวมันจะไม่ยึดติดวัตถุทานเหล่านั้นเลยเพราะใจเหล่านั้นน้อมสลักนั้นสภาพจิตใจจึงเป็นสภาพที่เยนเน็นนะเป็นสภาพที่มีความเบาความสภาพที่ความความตรงของจิตเนะเจตสิกเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นความอ่อนของจิตและเจตสิกเป็นธรรมชาติที่มีความคล่องแคล่วของจิตและเจตสิกเนี่เป็นธรรมชาติที่มีความซื่อตรง ของจิตเจตสิกในด้านของกุศลธรรมนั้นธรรมชาติความคล่องแคล่วความเบามากทีนี้การน้อมนาการระลึกในลกักษณะนั้นและมีปัญญานำหน้าตรงนี้สำคัญมากใช่ไหมรู้ว่าเจตนานะั้นเป็นสังขารขันนะที่เป็นระลึกหนึ่งและเขารู้ด้วยเขาระลึกไปเนะี่ยตัววัตถุทานจริงๆก็คือเป็นรูปธรรมก็คือดินน้ำไฟลมสีกินรสโอชาธาท่านเอง แต่สมมุติว่าเป็นข้าวบ้างเป็นน้ําบ้างเป็นอาหารบ้างเป็นเสื้อผ้าบ้างแค่นั้นเองแต่เขาเข้าใจอ่ะแต่เขาระลึกอย่างนั้นได้เพราะเขามีองค์อย่างการระลึกว่าทานกุศลเราได้ฝังไว้ดีแล้วได้ตั้งมันไว้ดีแล้วในคุณของพระราชนตรยัยในคุณของพระพภาคเจ้าถามบอกว่าการตามระลึกได้เนี่ย เป็นชื่อของสติไม่ใช่เป็นชื่อของโลภะเพรารละลึกแล้วเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดอย่างมากมายแต่เมื่อระลึกแล้วบาปเกิดอันนั้นต่างหากอันนั้นเป็นมิจฉาสติแต่เราท่านทรงสอนให้เจริญว่าจาขานุสติเนี่ยเห็นไหมท่านบอกจารค้าบวกอนุสติคือสติที่ตามระลึกในกิจที่ทำ และคำที่พูดแม่นานได้นตามลึกถึงฐา น, นกุศลในบรรดาอนุสติทั้งหลายเนี่ยระลึกอย่างนี้ทั้งนั้นเหลอนะระลึกอดีต ท, ที่ทำมาแล้วแล้วก็ย้อนอนาคตก็ได้ถามบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นกรรมฐานก็จะตกจากอารมณ์ปัจจุบันใช่ไหมามาใช้คำบอกว่า อย่าห่วงกอนในการที่จะให้ปัจจัยเพื่อทําให้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแข็งแกร่งฉะนั้นการไม่รู้จากอดีตให้สังเกตอย่า ง, งนะี้นะวิปัสสนานะพอมารู้ว่านี้เป็นรูปปัสขันธ์นี้เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะีนี้เป็นรูปเพลนามเนนะี่ยถ้าจะรู้ว่ารูปเนี่ย มีปัจจัยทําให้เกิดไหมปัจจัยอาวิชาตันหากรรมในอดีตถ้าไม่นึกอดีตจะไปนึกเมียเนี่ยเอาสิแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่เชื่ออดีตกรรมเี่แล้วก็ไม่เชื่ออดีตเหตุเลยเราไม่เห็นจริงๆเราไม่เห็นอวิชาเกิดแล้วก็เลยไม่เข้าใจรูปขั้นเกิดเนี่ยเพราะมีอวิชาตันหากรรมในอดีตเนี่ยรูปปั้นจึงต้องมาสืบต่อในกระแสะปฏิวัตภพเนี่ย เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกระแสชีวิตที่มันเดินมาได้เนี่ยพร้อมปัจจัยจาะระดีดนี้ฉะนั้นปัจจัยปริภคหายานทั้งหลายวิปัสนาญาณเหล่าเนี้ยไปรู้อดีตนะอย่าลืมนะถ้าไม่ยังเห็นอดีตและวจบเลยนะเนี่ยแล้ววิปัสนาญาณจะเดินยังไงและดูวิปัสนาญาณทุกระบบนี่เป็นวิปัสนาญาณที่จะต้องรู้การสามเนะ จะต้องรู้การสามนะถ้าไปจด จ, จ่ออยู่เอางี้นะดยข้อเท็จจริงเนะี่ยมาถามหน่อยว่ามีใครสามารถอยู่กับปัจจุบันอย่างจริงๆได้ไหมสมมติเอาเราจะกำหนดปัจจุบันเนี่นะปัจจุบันกนะาหนดในขณะที่ปัจจุบันปัจจุบันนะถ้าเราจะเข้าห้องน้ำต้องคิดไปก่อนไหม อ่อนอยู่ห้องกรรมฐานต้องคิดไปนาคตไหมถ้าท่านห้ามคิดเนี่ยคุณจะทำยังไงคุณจะสร้างมโนภาพใส่ในใจใจคุณยังไงถ้าจะไปหยิบจานมากินข้าวต้องคิดไปก่อนไหมมันเป็นไปนได้หรือเมื่อว่าเขาจะไหลอยู่แล้วมันเป็นไปนได้ไหมไดนข้อเท็จจริงอ่ะ เอาเอาสิ่งที่มันปฏิบัติได้จริงๆอะนะเอาสิ่งที่มันปฏิบัติได้จริงๆท่านขับเน้นว่าอย่าให้บาปเกิดอย่าให้บาปเกิดและอย่าไปจํากัดบล็อกความคิดอยู่ๆไว้แต่ปัจจุบันมันจะติดตันทางด้านความเข้าใจมันจะติดตันหมดแล้วมันไปไม่เป็นเลยเนอะเป็นข้อแท้จริงมันเป็นอย่างนั้น ต้องถามหน่อยว่าจะอยู่ยังไงแต่ถ้าปัญญาคมแก่กล้าจากการจากการฝึกฝนแล้วเนี่ยน่วงปัจจุบันในปัจจุบันก็ปรากฏเออใช่ถ้าจะหน่วงอนาคตอนาคตก็ปรากฏชัดจะหน่วงอดีตอดีก็ปรากฏชัดเนี่ยเขาชํานาญอย่างนี้เออถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้ยเออใช่วิปัสสนาต้องเป็นแบบนี้ถ้าวิปัสสนาบอกว่า พอจเจริญไปแทบตายน่ะเข้าน่ะเข้าอยู่แค่ปัจจุบันเนี่ยอันนี้ยุ่งนะยุ่งแล้วนะแล้วยิ่งไปเห็นแต่ปรมัดไปหมดเนี่ยนี้ยุ่งใหญ่แล้วยุ่งไหมแล้วจะรู้ไหมว่านี่เขาเรียกห้องน้ําเนี่ยเขาเรียกห้องน้ําเขาเรียกหนังสือนี่เขาเรียกพ่อแม่จะไปไปรู้ไหมก็จะไปเห็นเป็นดินน้ําไปลมหมดแล้วก็จะแยกออกไหมแต่เนี้ยฉันเขาเขาว่าเขาใช้คําว่า เออคําว่าวิปาานนัสนาญาณนะอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าปฏิเวทญาณเนี่ยโลกิยาปฏิเวทา น, นี่ยเนี่ยคือการที่ไม่ลุ่มหลงในปรมาทและบัญญัติในวิปัสนาญาณเป็นอย่างนี้ยไม่ลุ่มหลงในปรมัาทและบัญญัติต้องไปดูในจานวนของดีกาท่านจะใช้ศัพท์นี้คือเจาะทะลุทะลวงทั้งบัญญัติและประมัาทได้ และไม่ลุ่มหลงด้วยแต่ว่าละไม่ล่มหลงในปรมาัศน์และบัญญัติเนี่ยโดยแต่ทางค้านั้นเป็นโลกยิบปัสนาถ้าไม่ลุ่มหลงปรมัศน์และบัญญัติโดยสมุเทเฉทปานานั้นเป็นโลกุตระวิปัสนานเนี่ยชัดนี่เข้าถึงเลยและละได้ยังเด็ดขาดเลยแต่ก็คือท่านใช้ศัพท์ว่าไม่ลุ่มหลงในปรมัศน์และบัญญัติ แต่จะล่มหลงแบบแต่ทางขับประหารหรือสมุชีท่าประหารนะละความล่มหลงเหล่านั้นได้แต่ไม่ใช่ว่าวิปัสนาญาณนะเขาหยั่งเห็นบัญญัติไม่ได้นีอย่าไปเข้าใจในลักษณะนั้นถ้าอย่างนั้นก็ลำบากแล้วถ้าคนที่วิปัสนาญาณเกิดก็กลายเป็นว่าไม่รู้จากชาวโลกเขาสมมุติอะไรกัน มันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคือเขาเจาะทะลุทะลวงได้ทั้งหมดเลยนะยวิปัสสนาญาณจะเป็นไปรักษะอะนีน้พอจะตรงประเด็นนะคําำควรเกี่ยวเวลาหรือยังอา้าวนาทีพาอุทิศส่วนกุศลนลย